บทที่แปดสิบสามสังโยนสิบแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเสร็จท่านพระครูกำหนดลืมตาแล้วคลานออกมาจากกรดเห็นหลวงพ่อในป่านั่งขัดสมาธิอยู่โคนไม้จึงเข้าไปหานั่งลงกราบเบญจางคปดิสัมพันครั้งรายงานอย่างไม่ยินดียินร้ายว่าหลวงพ่อครับผมทำสำเร็จแล้วครับเรารู้แล้ว ภิกษุรัตัญญูตอบอย่างไม่ยินดียินร้ายเช่นกันผมต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกเชียวนะครับมันเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวเหมือนร่างทั้งร่างจะระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทําไมจึงต้องหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้ล่ะครับหลวงพ่อแทนคําตอบหลวงพ่อดำกลับถามว่าแล้วคุ้มกันไหมละ่ะคุ้มกับความเพียรพยายามของเธอหรือเปล่า เกินคุ้มอีกครับไม่เช่นนั้นผมจะต้องไปเกิดในนรกเป็นไก่ไม่ก็เป็นเต่าไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วก็ต้องถูกหักขาหักคอถูกควักไส้ถูกต้มเหมือนที่ผมเคยทํากับพวกเขาไว้เป็นอันว่าต่อไปนี้ผมไม่ต้องไปใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อต่อไปอีกใช่ไหมครับ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 ถึงแม้ให้ผลยังไม่หมดก็จะเลิกให้ผลกลายเป็นโอโหสิกรรมเพราะพระอรหันต์เป็นผู้ไม่กลับมาเวียนว่ายอีกคือไม่ต้องเกิดเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องมารับผลของกรรมและเมื่อไม่มีผู้มารับผลกรรมนั้นจึงกลายเป็นโอโหสิกรรมภิกษุรัตัญญูอธิบายในแง่ปริยัต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 เธอบอกว่ากว่าจะบรรลุกายแทบระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ท่านจักคูบาลหนักหนาสาหัสกว่าเธอเพราะท่านเดินจงกรมด้วยความมุมณะนะจนตาทั้งสองทะลุขึ้นและบอดสนิทซึ่งก็เป็นผลมาจากกรรมในอดีตชาติท่านบรรลุอรหันต์แต่ก็ต้องเสียจักขูทั้งสองข้าง เวลาเดินท่านจึงเหยียบมแมลงตายเป็นจำนวนมากพวกภิกษุพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านกระทำปนานาติบาศภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือครับผู้ที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยภิกษุเหล่านั้นยังไม่ได้เป็นจึงไม่รู้ และไปกราบทูลกล่าวโทษพระจักคุบานต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสอธิบายว่าจักคุบานมิได้กระทำปานาติบาตเพราะท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วการกระทาของพระอรหันต์ไม่เป็นกรรมเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นหลวงพ่อครับในทางปริยัติการเป็นพระอริยบุคคล เขาวัดกันด้วยอะไรครับภิกษุวัย45ใกล้เรียนรู้ภาคทฤษฎีวัดกันที่การละสังโยดได้สังโย์หรือสัญโยต์หมายถึงกิเลส ท, ที่ถูกมัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดข้องอยู่ในวตาสงสารมีอยู่สิบอย่างเรียกว่าสังโยตสิบได้แก่หนึ่งสักยะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน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 โดยสักแต่ว่าทำตามตามกันไปอย่างงมงายหรือเห็นว่าขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ 4. การมราคะความกำหนัดในการความติดใจในการคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส5ปฏิกะความกระทบกระทั่งแห่งใจความหงุดหงิดขัดเคืองใจ ความไม่ปลอดโปร่งใจหรู ป, ปราคะความติดใจในอารมณ์ของรูปฌานหรือติดใจในรูปที่ประนีดมีความปรารถนาในรูปภพเจอรู ป, ปราคะความติดใจในอารมณ์ของอรูปฌานหรือติดในสิ่งที่เป็นอรูปธรรมมีความปรารถนาในอรูปภพ 8มานะความทรนงตนถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตน้นให้ดูหมิ่นผู้อื่นเห็นว่าผู้อื่นด้อยกว่าตน9อุทธะความฟุ้งซ่าน10อวิชาความหลงความไม่รู้จริงในสภาวะธรรมชาติความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี 4. สังโยสิบ อย่างนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือโอรัมพากิยะสังโยชน์หรือสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นกิเลสหยาบเป็นไปในภพอันต่ำได้แก่สังโยชน์5าข้อแรกส่วนห้าข้อหลังเรียกอุทธธรรมพากิยสังโยชน์หรือสังโยชน์เบื้องสูงเป็นกิเลสอย่างละเอียดเป็นไปแม้ในภพอันสูง ที่ว่าการเป็นพระอริยบุคคลวัดกันที่การลสังโยชน์ได้คือผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำสามข้อแรกได้เรียกว่าพระโสดาบันนับเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นระดับที่สองเรียกพระสกทาคามีหรือสกิทาคามีคือผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำสามข้อแรกได้และสามารถทําราคะโทสะโมหะ ให้เบาบางลงระดับที่สามเรียกพระอนาคามีหรือบุคคลที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้งหมดส่วนระดับที่สี่เป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดเรียกว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ละสังโยชน์ทั้งสิบได้อย่างสิ้นเชิงจึงเป็นผู้พ้นแล้วจากสังสารวัฏโดยเด็ดขาดพระอรหันต์มีกี่ประเภทครับ ภิกษุผู้ใคร่ถามถามอีกคำพีวิสุทธิมรักได้กล่าวถึงพระอรหันต์ไว้ว่ามีหประเภทได้แก่ศัทธาวิมุตตะคือผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาปัญญาวิมุตตะคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาอุปโตภาควิมุตตะ คือผู้ที่หลุดพ้นทั้งสองส่วนคือผู้หลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปสมบัติหนึ่งแล้วจึงหลุดพ้นจากนามกายคืออริยมรรคเตวิชาคือผู้ที่ได้วิชาสามชาลพิญญาคือผู้ที่ได้วิชาสามชาลพิญญาคือผู้ได้อภิญญาหก และปฏิสัมพิทัปปตะคือผู้ที่ถึงความแตกฉานในปฏิสัมพิทาพระอระหันต์ทั้งหกประเภทนี้เธอคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยู่ในประเภทใดประเภทที่สี่คือเตวิจากรับเพราะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ ใต้ต้นโพพึกในคืนวันเพนเดือนวิสาขะปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติแต่หนหลังได้มัชิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือรู้ในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ที่พจักขุอันบริสุทธิ์กว่าจักขุสามัน เห็นปวงสัตว์ที่กำลังอุบัติเลวดีมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณสามได้ดีหรือตกยากรู้ชัดว่าปวงสัตว์ที่เป็นเช่นนั้นตามคำของตนปัจฉิ ม, มยามทรงบรรลุอสวัคยญาณแปลว่าความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปคือรู้อริยสัจสี่ รู้ชัดตามจริงว่านีิทุก์นี้สมุ ท, ทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามมินีปฏิปทาเลานี้อสวะนี้เหตุเกิดอสวะนีิความดับอสวะนีิทางไปถึงความดับอสวะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้ว พระมจรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วกิจอื่นอันจะต้องทำเช่นนี้ไม่มีผมตอบถูกไหมครับก็ในเมื่อเธออ้างคำภีแถมท่องได้ทุกตัวอักษร อ, อย่างนี้หากเราบอกว่าผิดก็เท่ากับเราไม่เชื่อคำพีนะสิแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึง้งจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสมเคราะห์งลงได้ทุกประเภท เคยเห็นด้วยไหมท่านพระครูใช้เวลาคิดนิดหนึ่งแล้วจึงตอบว่าจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทุกประการครับพระพุทธองค์ทรงได้อรูปผสมบัติสมัยเที่ยวเรียนกับท่านอาลาระดาบทกรมโคดและท่านอุทกดาบทรามบุรนอกจากนี้ทรงได้อภิญญาครบทั้งหกสามารถสงเคราะห์เข้าในประเภทที่ห้า คือชาลพิญญาส่วนประเภทที่6คือปฏิสัมพิทับปตตะนั้นจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแตกฉานในอัตตะในธรรมในนิรุกติและในปฏิพานไม่ว่าจะทรงแสดงธรรมครั้งใดจะต้องมีผู้สำเร็จมรรคผลทุกครั้งผมจึงเห็นด้วยกับหลวงพ่อทุกประการ ว่าพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมด้วยความเป็นพระอรหันต์ครบทั้งหกประเภทตั้งแต่ศัทธาวิมุตตะไปจนถึงปฏิสัมพิทัปปะเพราะเหตุนี้แหละพระองค์จึงทรงเป็นเลิศที่สุดเลิศกว่าพระสาวกทุกองในบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าเธอคิดว่าท่านใดเลิศที่สุดอาจารย์ตั้งคำถาม ผมคิดว่าพระสารีบุตรผู้เป็นพุทธะอัครส า, าวกเบื้องขวาครับเธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะในคำพีพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรมากตรัสเสมอว่านอกจากตถาคตแล้วสา ร, รีบุตรไม่เป็นรองใครก็หมายความว่าพระสารีบุตรจะเป็นรองก็เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าหากไม่นับพระพุทธเจ้า ราษารีบุตรก็ไม่เป็นรองใครหรือพูดง่ายๆว่าในบรรดาพระสาวกระสารีบุตรเป็นเลิศที่สุดผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนะแต่เธอสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าขนาดพระสารีบุตรท่านเป็นพระอัครส า, าวกและที่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายแล้วเหตุไฉนท่านจึงถูกพิกษุปุตุชนกล่าวโทษอยู่เรื่อย เป็นต้นว่าไปกราบทูลพระพุทธองค์กล่าวโทษพระสารีบุตรว่าเป็นถึงอัครส า, าวกแต่กริยาหลุกลีกเหมือนลิงอะไรทำนองนี้เพราะพระปุตุชนท่านก็ยังมีกิเลสนะครับหลวงพ่อท่านมีจิตริธยาพระสารีบุตรเห็นว่าเก่งเกินหน้าเกินตาท่านจึงต้องจับผิด แล้วระสารีบุตรเป็นอย่างที่ภิกษุปุตชนรูปนั้นกล่าวหรือเปล่าเป็นครับเพราะในคมภีอัตกถากล่าวไว้ว่าเวลาข้ามลำธารแคบแค่ภิกษุอื่นๆท่านเดินลุยข้ามแต่พระสารีบุตรกระโดดข้ามทำไมท่านทำเช่นนั้นครับเพราะท่านยังละวาสนาไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย ยังไม่สามารถละวาสนาคือความเคยชินในครั้งอดิตชาติได้มีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถละวาสนาได้พระสารีบุตรท่านเคยเกิดเป็นลิงเมื่อท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังปรากฏอาการของลิงอยู่เพราะท่านยังละวาสนาไม่ได้เหมือนอย่างพระมหากัสริ ทำไมท่านไม่ยินดีในการอยู่ป่าเพราะอดิตชาติท่านเคยเป็นช้างพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์สแสวงหาโพธิญาณก็เคยเสวยพระชาติเป็นพยาลิงดังปรากฏในชาดกต่างๆเช่นมหากะปิชาดกเป็นต้นแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงละวาสนาได้อย่างเด็ดขาดพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงแตกต่างจากพระอรหันตสาวกตรงการละวาสนาได้ที่เรานำเรื่องของพระสาริบุตรมาเล่าให้เธอฟังก็เพื่อจะบอกเธอไว้ล่วงหน้าว่าแม้พระสาริบุตรท่านเป็นถึงอัคราสาวกที่เลิศที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลาย ท่านก็ยังถูกภิกษุภุตุชนใส่ร้ายป้ายสีหลายครั้งหลายหนนับประษาอะไรกับเธอซึ่งแม้จะบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วหากก็ยังไม่พ้นจากการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนพวกนั้นซึ่งมีทั้งพระและคฤหัตแต่พวกเขาก็ทําอะไรเธอไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกแล้วบาปกรรมก็จะตกอยู่กับพวกเขาเองการทําร้ายบุคคลผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจะมีแต่บาป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 และเธอก็ห้แล้วทำไมพวกเขาต้องมาวุ่นวายกับผมด้วยล่ะครับในเมื่อผมไม่เคยไปวุ่นวายกับใครแล้วผมก็ไม่เคยก่อศัตรูพวกเขาอิจฉาเธอนะซิเพราะเธอเด่นเกินหน้าเกินตาพวกเขาแต่ผมว่าให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสมเพชนะครับคนเขาอิจฉาเราแสดงว่าเรามีอะไรเหนือเขาแต่ถ้าเราด้อยกว่า เขาก็จะสมเพศเวทนาผมไม่อยากให้ใครมาสมเพศคิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วเธอเห็นหรือยังว่าโลกมนุษย์มันวุ่นวายอิจฉาริษยากันไม่พักแม้คนดีก็ยังมีศัตรูศัตรูของคนดีคือคนชั่วอย่าคิดว่าเป็นคนดีแล้วจะไม่มีใครเกลียดชังเพราะเหตุนี้แหละครับ ผมจึงไม่อยากเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วบัดนี้ผมก็เพียรพยายามจนเข้าถึงความไม่เกิดได้สำเร็จแม้จะต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกผมก็จะยอมรับจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาถือซสว่าใช้กรรมที่ผมเคยทำกับพวกเขาไว้ในอดีตชาติดีแล้วเอาละทีนี้เราจะบอกเธอว่าเธอไม่ต้องอยู่ในป่าแห่งนี้อีกต่อไป เตรียมตัวเดินทางได้และพบกันกับเราที่ภูคาจังหวัดน่านหลวงพ่อจะไม่ร่วมเดินทุดงกับผมเลอครับเธอช่วยตัวเองได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องพึ่งเราอีกต่อไปอีกอย่างหนึง่งเราต้องการให้เธอสงเคราะห์ชาวบ้านให้ได้มีโอกาสทำบุญกับพระสุปฏิปโนพวกเขายากจน เพราะในอดีตชาติเป็นคนตรนีเหนียวแน่นไม่บริจาคทานชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนยากจนขัดสนเธอก็สมเคราะห์เข้าไปตามหน้าที่ก็แล้วกันครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะไปไหนครับไปรอเธอที่ภูคาณ่ะสิแล้วผมต้องเดินทางกี่วันกว่าจะถึงที่นั่นใช้คาถาย่นระยะทางได้ไหมครับอย่าใช้เลย เราอยากให้เธอช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านตามเส้นทางที่ผ่านพวกเขาจะได้มีความมั่งมีสีสุขเพราะอานิสงส์ที่ได้ทำบุญกับเธออย่าลืมว่าเวลานี้เธอเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างสมบูรณ์ที่สุดเอาละ่ะเราจะไปแล้วได้ยินว่าอาจารย์จะไปสิทธิ์จึงก้มลงกราบสามครั้งกราบเสร็จก็ไม่เห็นอาจารย์นั่งอยู่ณที่นั้นแล้ว หากภิกษุวัยส5ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอีกต่อไปเพราะชินเสิแล้วกับความไม่ธรรมดาของพระอาจารย์สมภารวัดป่ามะม่วงจัดการกู้กรดเก็บเครื่องอัฏฐะบริการแล้วจึงออกเดินทางท่านเดินลงเนินไปหวังจะพบผลไม้สีแดงสดเช่นวันก่อนๆแต่การกลับปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ต้นของมัน จึงออกจะสงสัยว่าผลไม้ทิพที่ท่านเคยฉันนั้นเป็นผลไม้ของเทวดาหรือของหลวงพ่อดำกันแน่หนอ